ขอความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอารมณปปุตติยานกำลังนำเสนอปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจคือหมายความว่าองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสิบสองข้อแต่ตองค์ธรรมในอริยสัจก็มีอยู่สี่ข้อแต่นงไงของความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่อริยสัจก็คืออริยสัจเล็ก วันก่อนได้พูดกลุ่มของสมุทัยสัตว์คือได้แก่วิชาสังขารตัณหาอุปาทานแล้วก็พบว่าเป็นสมุทัยสัตว์ซึ่งก็ต้องมองต่อเนื่องกันหน่อยนะครัประสังขารที่จริงมันก็เป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปและเป็นทั้งอนิชาแต่ว่ามันเป็นผลมาจากอวิชา ก็นำไปสู่พบคือความเกิดต่อเกิดก็แก่จะตายนฮะกลายเป็นภพทุพกข์ทั้งหมดในกลุ่ของทุกขสัตว์นั้นมีความชัดเจนคือเราสามารถพูดได้คำเดียวก็ได้นะว่าชาติคือความเกิดหรือว่าชาติชราบุณะก็ได้แต่ว่าในที่นี้ก็เน้นไปที่วิญญาณนามรูปอายตนะภัตสระแล้วก็เวทนา ซึงว่ากันตามความเป็นจริงก็คือชีวิตเราในแต่ละวันนั่นเองเปลี่ยนแต่ว่าถ้าลำดับการเกิดเนี่ยมาความมาเกิดปฏิสนธิบบญญาณเข้ามาผสมเข้ามาสิงหรือเข้ามาถือครองก็แล้วแต่จะเรียกฮนะว่าเวลาไข่กับสเปิร์มเขาผสมกันเนี่ยตัวนี้ก็เข้ามาครองอย่างในปัจจุบันเราได้ยินเรื่องการทําเกริฟกัน ว่าทำเป็นเก้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ยังไม่ติดนั้นมันก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของกฎรรงสารวัตฏเนี่ยยังมียังมีอยู่เหมือนเดิมอยือหมายความว่าการประสมกันของสเปิมจะโดยวิธีอะไรก็ช่างนะแต่ว่าเป็นการประสมกันระหว่างสเปิมกับโอว่าแต่ถ้าไม่มีคันทพโพซึ่งเป็นผลรวมของวิชาสังขารบิญญาณ เข้ามาถือครอง ม, มันก็ไม่กลายเป็นผิงมีชีวิตขึ้นมาได้หรอกจะเรียกว่าผสมในหลอดแก้วมาทำกิฟต์จดถงมาทำครนนิ่งอะไรก็ตามนะฮะมันจะอยู่ในกฎเดิมนะะั่นแหละแต่เนื้อหาสาระนะโดยเนื้อหาสาระก็ยังเป็นเรื่องเดิมเพราะในลำดับการเกิดเราจะเห็นว่ามันก็มีปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณเข้ามาสิงร่างแล้วก็ผ่านพัฒนาการต่างๆไปตามลาดับตามการเวลา พอจินตัวเดินครอดมาเนี่ยอายตนาเขาครบมันก็มีผัสสะมันก็มีเวทนาสีนี้ผัสสะที่เรากระทบในครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้่ น, นะเพราแต่เห็นได้ว่าก็มีแสด ง, ออกกงหัวเราะก็ร้องไห้เนี่ยก็ดีใจก็ร้องไห้แสดงอาการดีใจแสดงอาการไม่ชอบใจก็ถ้าถามว่าคืออะไรล่ะก็คือความรู้สึกยินดียินร้าย เวลากระทบกับอารมณ์เนี่ยมันเกิดชอบไม่ชอบเปลี่ยนแต่ว่ายัางพูดไม่ได้ก็แสดงออกมาก็กลายเป็นความชอบหรือไม่ชอบชอบก็หัวเราะหรือยิ้มไม่ชอบก็ร้องไห้แต่ตอนเด็กๆเราก็เห็นอาการอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันมาจากวิชาอยู่หมายความว่าตัววิชาเนี่ยก็ยังปนมากับปัญญา น, นั่นแหละตัวกรรมก็ปนอยู่กับปัญญา เพราะเราจรึงสัมผัสโลกด้วยความไม่รู้ในกลุ่มตรงนี้ทรงสอนในหลายระดับโดยงว่าระดับวิญญาณถ้าเราพูดถึงวิถีวิญญาณหรือวิญญาณขาคามันก็จะสอนในแนวของการสำรวมระวังตาหูจมูลิ้กายใจเวลาสัมผัสการหลงข้างนอก เรัมาระวังรักษาใจเอาไว้อย่าให้ยินดียินร้ายมากเกินไปพอถ้ายินดีมันก็เพิ่มกิเลสสายราคา่าสายโลภขึ้นแต่ยินร้ายก็เพิ่มกิเลสสายโกตะโทษสายโทสะและพยาบาทขึ้นมันก็เพิ่มความเข้มข้นของความหลงให้เกิดขึ้นเราลองนึบดูทุกมชนเผ่าต่างๆเอาไม่ต้องดูอะไรนะฮะความรู้สึกของคนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย เราลองสังเกตว่าจะมีอิทธิพลทางอดีตถ้าสมนวนธ ร, รมาได้กว่าตีตาลมคกลือรองในอดีตในด้านประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเราเรียนมาแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นนะคนยุนรุ่นใหม่ของเพื่อนบ้านเราก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่ว่าตางคนต่างก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เราดูว่าประเทศที่เรานับถือศาสนาเดียวกันไนหะเอาประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศกนะัมพูชเนี่ย ก็เรียกว่าเพื่อนบ้านนะแล้วก็เพื่อนบ้านกั บ, บนานเดกันเลยแล้วแต่ถ้าพูดความรู้สึกแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยคนไทยไม่ก็ชอบที่เป็นองค์รวมเหตุผลไม่ใช่เหตุผลปัจจุบันจะเป็นเหตุผลในอดีตคือเรื่องเผากรุงคนไทยก็สะสมความแค้นเหล่านั้นเดียวนั่นก็หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันตามมามันติดจิตมา แล้วก็ผ่านพบชาติมาแล้วก็มารับรู้ในปัจจุบันโดยทีนี้ลาวเนี่ยมันใกล้ๆกะบสายเลือดเดียวกันเป็นการทะเลาะเบาแวงอะไรแต่ไรขัดแย้งกันจสเสร็จแล้วก็ดีกันพี่น้องกันก็ทะเลาะกันดิ้นกับฟันแบบดิ้นกับฟันเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแรงกับลาวเนี่ย เราว่าก็ถ่ายเทวตัตถธรรมกันแล้วคนลาวก็ข้ามมาอยู่เป็นเมืองไทยก็กลายเป็นคนไทยคนไทยข้า ม, มาอยู่เมืองลาวก็กลายเป็นคนลาวนะผู้ปกครองเช่นท้าวหนุหัดเนี่ยทจริงก็เป็นคนไทยะนะฮะแต่ข้ามไปจากฝั่งไทยแต่ของเราก็มีผู้ใหญ่ของเราเยอะที่ข้ามมาจากฝั่งลาวควารู้สึกจึงไม่แรงแม้จะโกรธเคืองกันเราก็ช่วยเหลือเพื้อนูุกัน บางครั้งบางคราวแม้แต่การปกครองเปลี่ยนแปลงไปเราจะว่าถ้าเราดูแล้วไม่แรงแต่พอมาถึงขเขมรกับเวียดนามค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีปัญหาอยอะแต่ความรู้สึกมันก็ค่อนข้างจะ ม, มึนตึงอะไรอยู่นะแม้จะเวลนี้พยายามจะผ่อนคลายอะไรลงไปได้เยอะซึ่งแน่นอนว่า พวกนั้นนันเป็นเรื่องอดีตถ้าเราสลายจะได้นะสลายจะได้แล้วก็ใช้ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์มีการรวแรวมวร่วมใจกันสมมติว่าเนี่ยเราเรอสี่ห้า 4, ประเทศตรงเนี้ยลงลงไปถึงมาเลเซียสิงคโปรอ์อะไรล่ะฟิลิปปินอินโดนีเซียฮ่องกงอะไรเนี่ยนะอาจจะลามไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยในเครือพวกเราใกล้บ้านใกล้เดือนเคียงเนี่ย แล้วก็เป็ น, นหนึ่งเดียวกันแนละ้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มันไม่ใช่เรื่องของสังคมอย่างเดียวจะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยการค้าขายเนี่ยการส่งสินค้าออกการนําสินค้าเข้าก็กลุ่มกันเนี่ยไม่ใช่เล่นนะฮะตลาดใหญ่แล้วจํานวนประชากรเยอะเลยแล้วอาจจะตีขึ้นไปทางจีนทางจีนทางบังกลาเทศทางอินเดีย โอ้กลายเป็นมวลชนมหาศาลนะฮะถ้าจับกลุ่มกันได้ขนาดนี้มวลชนมหาศาลเลยวหนาต่อรองสูงมากแต่ ว, ว่ามันมีเบื้องหลังเด้๋วก็มันมีปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างหวาดระแวงต่อนาคตเพรา ะ, ะนไอ้นเงื่อนไขทั้งหลายที่มันเลื่อนไหลมันขุนคุนมันไม่ใส ทำให้โอกาสที่จะประสานใจกันนี่แล้วก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่เป็นผู้นำนี่ไอ้สมมติตรงนี้อ่ะมันไม่ว่าในส่วนใดของโลกอะคนอยู่ในระดับนี้มีการระวังมีการแวงมีการสงสัยแล้วก็มีความกลัวคือวงยญ่ตัวเองนี่สูงไอ้วงยัชาติบ้านเมืองก็ไม่เยอยท่ายหรอก นั่นคือความคิดที่มันมีปัญหาทีนี้พวกนี้มันก็ออกมาพอมาถึงสลายยานะคือได้เห็นได้ห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้ ม, ไ ด, มได้จับต้องนะฮะจะเห็นว่ามันเอาดีดเข้ามาผนวกต่อการกระทบก็มาก็กลายเป็นทุกขเวทนาะหวาดระแวงวิตกกังวลห่วงใยไม่มั่นใจจะตัดสินใจลงไปไม่ได้ ตรง น, นั้นจึงเห็นอาการของกิเลสการการของทุกข์แล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่จริงตัวเขาเองนะฮะตั้งวิญญาณนามรูปไปเจตนาปัจจาวทธนาทั้งสาวช น, นสังเกตเขาก็กลางกลางนะฮะเขาเป็นวิบากเขาเป็นผลเฉยๆแล้วเขาเป็นกลางกลาเมื่อเป็นกลางกลางนี่จึงมีได้ทั้งสามอย่างคือออกเป็นสุข ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้นะเป็นเหตุแต่งสุข ก, ก็ได้เหตุแต่งทุกข์ก็ได้เหตุแต่งกลางๆ ก, ก็ได้แต่แนวการสอนเมื่อเขาเป็นผู้กระสับ เมื่อเขาเป็นทุกข์กษัตริย์ก็ให้มองในแง่ของรยหลักกระยิบอะไรมาก็ได้นะฮะวิญญาณนามรูปพัจจานาภาษาเวทนาวิญญาณในกรณีที่รับรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสบางครั้งเนี่ยพลังจิตเราไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านกระแสอารมณ์ที่ยโย ย, ยุยวนมันก็ต้องใช้วิธีการไม่ดูไม่เห็นได้บ้าง แล้วข่มใจห้ามใจตัวเองว่าจะบ้างข่มใจไม่ยินดียินร้ายจะบ้างหรือเกิดยินดียินร้ายไปแล้วก็ตัดกระแสอารมณ์คืออดกั้นอดทนเอาไว้บ้างทําได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอนะฮะแต่บางทีเนี่ยถ้าปัญญามันคมมากคติเขาแข็งพอเนี่ยมันก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสูดรมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าจับต้องไปเลยหรือว่าสักแต่วารู้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัส ถามมาในแง่ภากสนามจริงๆเนี่ยคิดอย่างเงี้เราทําได้หร e e ือเปล่าเราทําได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วที่จริงก็ทําได้เยอะนะฮะในวันนใแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคือโลกแห่งสัมผัสที่เราเฉยๆเนี่ยมากกว่าที่เรายินดียินได้ในเวละวันน่ยนะแต่เราเกิดยินดียินไายหมดแล้วก็เสร็จนะคนเป็นประสาทมาแล้วแต่เราเฉยๆเนี่ยมากกว่าที่เรายินดียินได้ เอาเอาลองดูอย่างนี้ก็ตาบะหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับเนี่ยเราที่เราอ่านเนี้น้อยกว่าเรา้ไม่ใช่มากกว่าเราน้อยกว่าเราที่ที่เราไม่ได้อ่านคือบางเรื่องไม่น่าสนใจก็ไม่สนใจไม่รู้เรื่องมองตัวผ้าหัวยังไม่ดูเลยหรือข่าวครา ว, ราวต่างๆเนี่ยเรารับรู้แล้วเกิดสนใจเนี่ยน้อยน้อยกว่าเราที่เราไม่สนใจแต่เราไม่สนใจจะเยอะเลยเราเดินสวนกับคนเนี่ย มันที่เราสวนคนไปร้อยๆเราไม่ไม่สนใจสักคนเนี่ยคือไม่เกิดดีดีดีร้ายอะไรเลยนั่นก็แปลว่าอารมณ์จริงๆเนี่ยเราทำได้อยู่ได้แต่ว่าทํำยังไงเวลาอารมณ์มันมุ่งตรงมาคือเจตนาโยโย่โย่วนเนี่ยทํำยังไงย้ายเกิดดนดีดินได้นั่นคือเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยภูมิจิตภูมิธรรมดังกล่าวทีนี้พวกนามาลูกทั้งหลายก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าจริงๆเขาเป็นกลางกาง ไม่ว่าเวทนาไม่ว่าสัญญาไม่ว่าเจตนาไม่ว่าผัสสะหรือมนาสิการอะไรก็ตามเนี่ยเขากลางกลางไงฮะก็มองในแง่ของต้องระวังอย่าให้เกิดเพราะกลางกลางเนี่ยมันเป็นถักงงเกิดใ ก, กล้ๆประตูอะับประตูมันเป็น ท, นนทางเข้าคนดีก็ได้คนชั่วก็ได้คนที่ไม่ดีไม่ชั่วก็ได้มันเป็นทางผ่านมาได้โดยทวนท่านจึงสอนให้มองในงแง่ของสภาวธรรม ก็เรียกว่าพวกขันธ์าตุอายตนาทั้งหลายเนี่ยจะทํายังไงจะขับเคลื่อนเข้าสู่กระแสของความจริงที่เขาเป็นนั้นก็คือมองในแง่ของใจหลักคือความเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะอายตนะภายในหรือภายนอกก็าตามหรือแม้แต่ตัวเราทั้งเราทั้งเขานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เป็นการดำรงอยู่เป็นขณะขณะขณะขณะดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเข้าใจว่าเที่ยงแท่แน่นอนในขณะเดียวกันก็มองในแง่ของความเปนตุกเพราทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยมันไม่มีอะไรอ่ะนะที่จริงถ้าเราคล้ายๆกับเรา กอกล้วยัานั่งปอกๆๆก็บ ป, ป, ป, ปัญหากอกล้วยไม่เจอเลยคนเราก็เหมือนกันนะะถ้าเราแยกชิ้นส่วนออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปแยกคนนะครับ เ, เป็นดูในร้านตลาดขายหมูขายวัวขายควายขายอะไรต่อะไรเนี่ยเขาไม่เรียกหมูวัวควายนะเพราะมันไม่มีหมูหมูวัวควายอย่างไรที่นี้ก็ เ, เรียกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายตับไตไส้ปรุงหนังเขาอะไรแต่ออะไรก็ตามนะฮะมันก็แยกส่วนออกมาแล้ว เพราะแยกส่วนเราจะเห็นว่ามันไม่เป็นชีวิตมันไม่เป็นสัตว์มันไม่เป็ียนบุคคลมันไม่เป็นตัวตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นโคไม่เป็นหมูไม่เป็นวัวไม่เป็นควายก็เห็นกันชัดๆไปยืนดูพ่าในร้านตลาดเนี่ที่จริงมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างไรกอจะเข้าใจว่าชีวิตเราถ้าเกิดจำแหลมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะจำแหล่แยกชิ้นส่วนออกไป แต่ว่าคนเราถ้าถูกแยกชิ้นส่วนเราจะขยักขยแยงนะฮะสยบสยองเลยแต่วัววั ว, วควายโกเอ่อหมูกไก่เป็ดไก่เนี่ยพอาก็แยกชิ้นส่วนคนอยากกินเนี่ยมันแตกต่างกันเราแสดงว่าคนซึ่งถือว่าใหญ่โตเนี่ยทางการเนี่ยเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วพอลมหายใจดับตอนนั่นเอง ก็เป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวน่าสยดสยองน่าขยะขยะงยกคนทั้งหลายนะมันเป็นการดำรงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีการคงที่แล้วก็ประสบกับเวทนาต่างๆเอาเฉพาะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจารับปวดปวดัปะสสาวะงงวงนอนแก่เจ็บตายนะเอาเฉพาะเท่านี้เนี่ยมันก็สาหัสมากอะแก้ไขปัญหาเรื่องเจ็ดย่างเจ็ดอย่างนี้นะ หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนเนี่ยเจ็ดอ่างเราแก้กันจนตายแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็มีความเล่าร้อนด้วยประการต่างๆก็มีทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆเราทั้งหมดเนี่ยมันถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ไม่มีอะไรที่มันยุ่งก็คือเราไปยึดมัน ยึดด้วยความรักก็ยุ่งยึดด้วยความชังก็ยุ่งยึดด้วยความกลัวก็ยุ่งยึดด้วยความไม่เข้าใจก็ยุ่งไม่ว่าอะไรก็ตามมันยุ่งทั้งนั้นเลยก็ยุ่งก็พรอยยึดเรื่องบางเรื่องก็ไกลตัวเกินไปนอกวิสัยที่เราจะไปเกี่ยวข้องจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้จะคนก็ไปยุ่งกับเขาไปยึดเขา ยึดมันก็ยุ่งดังกล่าวดันั้น ก, การตรงนี้ท่านก็สอนให้มองเห็นว่ามันเป็นสภาวธรรมแล้วก็มองในแง่ของความเป็นอน้าตาหรือทั้งหมดเนี่ยบิดานามรูปรยานตนาภาษาเวทน า, ภ า, ภาเราบาังคับไปเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ฉันบอกว่าอยากแก่พูดรวมๆนะคือชีวิตนะ่ยตรงนี้รวมๆในชีวิต เราลองสั่งชีวิตราดูอย่าแก่หนะ้าอย่าเจ็บหนะ้าอย่าตายหนะ้าเรานั่งน้าอย่าปวดหนะ้าอย่าเมื่อยหนะย้าอะไรแต่ใดมันจะคิวหนะ้ามันสั่งอะไรไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวเราบังคับไม่ได้เขาเรียกว่าเสอวัตนาเยวะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ยอมอำ น, นาจกันบงการสั่งการของใครเพราะมันจริงจงกันข้ามแบบภาวะที่เรียกว่าอัตตาตัวตนตัวตนอย่างที่พบุกพรามเข้าใจโุก พ, พรามอธิบายแล้วก็ พอมาจาแหลกพอแยกออกไปก็เป็นกองกองกองกองกองนะฮะกองใหญ่ๆคือกองดินกองน้ํากองลมกองไฟนะฮะเป็นสี่กองใหญ่ๆกองอากาศไม่ต้องนับก็ได้เอาดินน้ําลมไฟเนี่ยที่แยกก็เป็นเป็นอาการสามสิบสองแล้วพวกนั้นแยกย่อยไปอีกย่อยไปก็กลายเป็นอนูเป็นบรูเป็นศูนย์ไปเลยไม่เหลืออะไรทีนี้มาถึง ถามว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นจริงๆที่เราเรียกว่าของเรานี่อะไรคือของเราเราเป็นเราก็ไม่เป็นจริงของเรามันก็ไม่มีจริงเราลองสังเกตเราเป็นเนเริ่มจากเราไม่เป็นแล้วก็เราเป็นแล้วก็เราไม่เป็นไม่เป็นจริงเลยเขาคือตายนะฉันดึยกตัวอย่างอานะตมาเนี่ยสมมติตัาเนี่ยนะมันเป็นสมมติทสมมติ ตอนนี้ก็เป็นพระราชธรรมลิเทศแต่เป็นพระเทพดิลกที่จริงมันเริ่มมาจากไม่ได้เป็นประเทพดิโลกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เป็นประเทพดิลกต่อไปนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นหรืออาจจะตายคือไม่เป็นแต่มันจะจบลงที่ไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นในเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงต่าลงอาจจะตายเห็นไหมทางเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งสามทางสูงขึ้นก็เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็น ตามลงเราก็ไม่เป็นอย่างที่เราเป็นตายเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็คือตายยกรกลายเป็นเป็นใหม่อ่ะเป็นคนเป็นสัตว์สมมตยเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาใหม่บ้านของเราเรือนของเรารถของเราอะไรของเราของเราของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงสักอย่างนะเช่นที่ท่านเขียนไว้เป็นคํากรอนวยชน์และลาบมาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน แม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุกสนุกสนายจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็าไปมือเปล่ามันเจ้ามานั่นก็คือชีวิตในสมัยก่อนเนี่ยพระท่านสวดอาตมาได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะเราจะนั่งฟังหลวงพ่อสวดแต่เราก็ไม่เข้าใจอะไรแต่เราชอบคือท่านสวดเสียงเย็นๆเนี่ย สเสียงเย็นๆแล้วก็เป็นเด็กประมาณสักเจ็ดแปดขวบนะฮะก็นั่งฟังแล้วก็รู้ว่าทั้งส่วนเวลาไหนเราก็เดินมาก็นั่งฟังอยู่ข้างหลังโตเตียนงส่วนถามเราเข้าใจไม่เราไม่เข้าใจแต่เราชอบเราชอบรู้สึกมันเพราะกานถั่วช้าๆจะน ร, รูปปางอินทร์จางรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดา น, นีจังตังโดขางรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ อย่างรูข้างต่างหน้าตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดาหน้าตาต่างเนตามามาเนโซะมัสมินอเมโซกเมยตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเรา้องมาขึ้เนเบตนาตัญญาตังการวิญญาณนะเป็นสวดจังหวะช้าๆฟังแล้วมันสงบแต่เราก็เป็นเด็กเกินไปที่จะคิดแตประจํามาได้นะจำมาได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะ แล้วก็ยังรู้สึกว่าถ้ามีวิธีสวดซ้ําๆอย่างนี้นะแต่คนฟังก็หลับตาคิดตามไปเรื่อยเอยทบเขียนไปเรื่อยเพราะนะเพราะมากๆเพราะแนวสวดแปลเนี่ยมันเหมาะอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องหลับตาคิดตามไปเรื่อยอาจจะเปิดเทปเปิดอะไรก็ตามก็ยังคิดอยู่นะฮะยังคิดอยู่ถึงโอกาสหนึ่งเนี่ยจะทําเทปสักสามชุด ชุดธรรมะเช้าธรรมะเย็นเนี่ยชุดหนึ่งชุดสวดมนงคนเรือนนชุดเนี่ยชุดประสูทธสำคัญธรรมจกักอนัตอาชิตธรรมนิยาเนี่ยสี่สุตรที่ชุดนึ่งจะนึกจะทำเผยแพร่แต่วา่าก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องรอรวบรวมอะไรกันเดีย ก, ก่อนก็คิดฝันมางานแล้วก็ญาติโยมคนไหนต้องการก็รก็ให้ไปเปิดฟังมาปฟังก่อนนอนน่ยนะฮะ ก็อ น, นอนก็เปิดฟังไปเลยก็เทปมันก็หมดฟังก็ดับเองมันเราก็สงบฟังจนติดเป็นนิสัยมียอมกันหนึ่งก็ฟั ง, ฟงธรรมจั ก, กรกัตตนสูตรตายในเข้าป่วยหนักในเข้าขั้นโคม่าแล้วนะฮะในรู้สึกตัวแล้วสามีก็เปิดธรรมจั ก, กรกัตตนาสูตรเร่งขึ้นเร่งเสียงขึ้นไปก่อนก็จะดับจิตเนี่ยมือยกขึ้นพนม ยกขึ้นพนมพอถึงตรงที่แกชอบเนี่ยมือยกขึ้นพนมเลยเดี๋ยวก็มือก็ร่วงพลอยแล้วก็ดับตื่นเต้นมากนะฮะคือคนนี้นั่งดูนี่ตื่นเต้นมากว่าอันนี้ยมันอยู่ภายในจิตคืจิตมันเก็บเอาไว้มันกลายเป็นพลังเลือกสุดท้ายขึ้นมารับแสดงว่าจิตก็ผ่องแผวมากแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเแสดงถึงปัญญาที่ ก็มากกว่าสุ่มคว้านะะมันเป็นพลังผลักดันยกมือซึ่งหมดสภาพขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใจเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราสะสมไว้ภายในใจตัวทุกข์นี่มองมันน่ะพยายามรู้จักกับมันทําความคุ้นเคยกับมันเข้าใจกับมันได้จะไปกลัวมันเพราะยังไงเนี่ยเราก็หนีมันไม่ได้นะมันมากับเรามันอยู่กับเรามันก็ตายไปพร้อมกับเราแต่ว่ามันก็เป็นครูให้เราถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์กับมัน ต้องฟังทหลายต้โลกมาโพธิญาในวันนี้พยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูุ์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผูกฟังกายโดยทั่วกันสวัสดี